นั่ง่านสบายไม่ต้องกดอันเบอร์ก็ได้เอาไว้สบายพอบุญการทำบุญเนี่ยต้องคือทำแล้วมันสบายสบายกายสบายวาจาสบายใจนี่คือทาบนนุญส่วนทำบาปเนี่ยมันลาบากมันทุกอย่างลาบากแต่คนก็เลือกแค่ทำบาปมันก็เลือกแบบนี้ เราอย่าเพิ่งคุยกันนะคุยกันนะถ้าถ้าใครไม่อยากฟังไปนั่ง้างนอกถ้ามีสุราที่เคยใครไปนั่งทางนอกเพราะมันจะเสียเวลาคนอื่นก็ตั้งใจฟังถ้าจะคุยกันไปคุยกันทางนอกเอาให้เต็มที่เลยเป็นไงมั่งได้นายกเลิบยังไงวันนี้เพออันนี้เป็นบททดสอบ เป็นบทเรียนของพวกเราว่าทุกวั น, เ, นเราทำตามตามกันมาเรื่อประเพณีอขาวัดกันเหมือนกันฟังเทศกันเหมือนกันฟังเป็นประเพณีฟังเอาม่วนฟังเอาหาไปไง็ได้แต่เป็นสาระเองเราไม่ค่อยเอาเทศเหมือนกันถ้าไม่มีรูปแบบก็ไปฟังกว่าท้าพูดแล้วก็มาลกได้แต่บนเอา โลเทศคืออะไรวันนั้นเพื่อให้เป็นประโยชน์ในไหนเข้าวัดแล้วคือทําความเข้าใจคําว่าเข้าวัดของเราถ้าเราเข้าใจตรงกันนะคุณไม่เป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้จักหรือว่าคุ้นเคยตั้งแต่เด็กจนโตกับความหมายคําว่าเข้าวัดหรือเข้าใจคําว่าวัดคําเดียวสั้นๆเนี่ย พวกเราคงไม่เป็นอย่างนี้ยุกวนมันถามว่าเข้าวัดเราเข้าใจว่าอย่างไรครับไปหาตต๋นีบอกไปขอมะม่วงนีกะมาต๋ดูดวงนีกะดูเมื่อเดินหมอไงบอกเข้าวัดการเข้าวัดโบราณอาจารย์ท่านชัดเจนเลยบ เข้ามาวัดเนี่ยมันต้องวัดได้สามอย่างหนึ่งวัดกายวัดกายตัวเองนีสองวัดวาจาเนี่ยแช่แช่แสามวัดใจเนี่ยคือการเขาวัดทีนี้ถ้าเราเข้าใจตรงกันอย่างนี้นะไม่ต้องมาวัดวัดที่บ้านนั่นแหละวัดกายตัวเองได้วัดวาจาตัวเองได้วัดใจตัวเองได้ไม่ต้องเขาวัด นี่เขาเรียกว่าเขามาวัดจริงๆฉะนันมาแล้วกัเจ้าแจ๊กเจ้าแจกคนอื่นเขาจะตั้งใจฟังเออแท่ที่เป็นประโยชน์คนตายนั่งต่อหน้าเราอย่างนึกไม่ได้อยากคิดไม่ได้มันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรคือมาแค่ให้เจ้าภาพเห็นหน้าว่ามาแล้วพอหลังข้าพเจ้าตายก็ไปเยี่ยมบ้างนะก็เป็นธรรมนี้ใส่ซองคืนก็ไม่เคยทำเนี่ยม แท้ที่จริงแล้วการเข้าวัดฝังธรรมจำสิงขาวนาต้องโบราณอาจารย์บุรพาอาจารย์ที่วางกรอบระเบียบปฏิบัติให้บุรุธรรมมีความหมายมากเริ่มต้นจากวันนี้เราถรลองมองถ้าเราไม่คิดก็มีอะไรเพสุดท้ายก็จะไม่ได้อะไรเรคิดว่าเริ่มต้นจากมรรคตรยศบูจาเอาตั้งใจ ก, กัน ไหว้พระเพราะว่าต้องเตรียมตัวนี่คือการเตรียมตัวว่าเตรียมตัวให้เป็นพระนะหมายถึงใจไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกายรพระในที่คือเป็นหลักก็คือผู้เจ้าประทรมพระสงค์เอสมอ า, านประดิษฐรใยไหว้พระคือไหว้คณของผู้เจ้าประทานประสงค์แล้วคุณสมบัติของพระท่านเป็นยังไงไอ้รพระบูชาเนก็ยบอกสมาทานศีลเห็นหั้ม เราก็สวาสิเตนรับสินไปจริงๆแล้วสินอันนียเราสมาบทานเองได้เราเข้าใจไปขอกับพระแล้วนี่เลยมีสินถ้าพระท่านถามบ้างสมมติว่าไปงานศพสองวันก็เจอกันกับพระเนี่ยสองวันวันนี้วัสนนิรฐ์สมมติวันนี้มาวัดทำ ง, งานศพก็เจอหลวง่อเทศเลยใพระนักรับสิน ครนี้ไปเจอหลวงพ่อที่กุเฒ่าอีกก็ไหว้พระรับสินแล้วหลวงพ่อท่านถามว่าเมื่อวานโยมกรลับไปแล้วสินมันหมดไปแล้วเหรอือสินที่รับไปเมื่อวานมันหมดไปแล้วใช่ไหมหรือว่าเอาใหม่เราจะตอบท่านว่าอย่างไงจุกนะนี่คือเราทำตามๆกันมาแท้ทีจริงแล้วการสมาทานสินเราทําเองได้เพียงแค่งดกาย ตรงจ็ก็เจ้เนี่ยกายงดวาจาเนี่ยเป็นสินทันทีเลยโดยไม่ต้องไปขอกับพระใดๆทั้งสิ้นเลยในขณะใดที่เรานั่งอยู่เฉยกายไม่เบียดใครวาจาไม่อยู่ใครมันเป็นสินทันทีทางปฏิบัติเนี่ยคือสีนในทางปฏิบัติมันง่ายไม่ต้องขอกับพระเพราะกับไปเดียเด๋ยวก็เดี๋ยวข้อเสียตามมาแล้วรับกับพระอย่างสามนาทีออกไปข้างนอกเอาแล้ว อ, อมันหายไปแล้วข้อนแล้วหายไปเอาไปจนไม่เหลือสินะข้อเลยเพราะอันนี้คือโดยภาพรวมทําไมโบราณอาจารย์ถึงใหเอาบทเพลงนี้มาให้ เ, า ร, เรามาละเอียดลึกซึ้งกว่าเราเราจะลืมว่าวันนี้เรามางานศพของเอสซึ่งก็คุ้นเคยกันมานานกับครอบครัวสุกรัมานานผู้เคยกันมานาน กูปากเกินเหรียญกูใหญเกินเหรีแล้วแต่จะเลือกกต่ก็เขาวัดจํำสินอยู่เนี่ยมานานตั้งแต่คนพูดจะเป็นแหร น, น้อยแองกอร์ดูตอนนี้ก็ผมสีขาวแล้วตั้งแต่เกิเป็นแหร น, น้อยในเกิมเหลืองแล้วก็สร้างกดเสริญอาสนะแล้วก็ยกที่ไอวัดอีกที่หนึ่งที่แม่แงดงก็คุเคยกันมานานด้านวันนี้ก็เลยมาพูดคุยก่อนว่าคุนี้เปรันพระจะมีโอกาสมีเวลาเอาไว้สองวัน กลับมาดูเรื่องของแอนตอนนี้แอนเหลือแต่ชื่อที่เรารู้จักมากคุณเหลือแต่ธาตุดินน้ำไฟลมส่วนใจไปไหนยังไม่รู้ท่านจึงให้เรามาดูมาปรงธ ร, รมะสังเวทว่าเราทุกคนอายุเรา พวกเราทุกคนโดยเฉลี่ยประมาณ75็ดสิบ้าปีเองอย่างเอก็หกสิบสี่องค์สารยหกสิบสีโดยเฉลีย่ ย, 64, ยเจ็ดสิห้าปีทนันเองหลายท่านอาจจะเกินแล้วท่านเกินไม่อะไรถือว่าได้กำไรบุตยางเราก็แปดสิบปีไม่พระสมาานศีนก็ เ, เพราะว่าถ้า เรายังแย่ไม่ออกว่าเรื่องเป็นเรื่องตายเป็นยังไงวันนี้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งเป็นธรรมะว่าวันนี้มีทั้งคนเป็นคนตายเช้ามาคนตายคือแอดอนีอาไปรับศพที่โรงพยาบาลเคยผีพลาดขัดข้องสารพัดท่านนี้ก็เตรียมจะบวชเพราะโอเปชาก็เตรียมบ่ามงก็จะบูร์ใช่มาที่ของพระแต่ข้อคิดที่เราได้ก็คืออ e ีฝ่ายหนึ่งเป็นอีฝ e ่ายหนึ่งตาย อันนี้อยู่แั่ความเป็นและา ค, ความตายเราเห็นว่าความตายกับความเป็นมันต่างกันยังไงในตัวเราความตายเข้าใจว่าอย่างไรเข้าใจว่าอะไรตายความที่เราไม่เข้าใจความที่เราไม่รู้ปลายเป็นว่าความตายกลายเป็นเรื่องน่ากลัวหนักกว่านั้นอี ก, อกคือ ก็บอกว่าหมดลมหายใจแล้วเกิดความกลัวถ้าภาษาเราง่ายก็บอกว่าตายแล้วเรียกว่าผีกลายเป็นผีไปแล้วตอนนี้จากเมื่อก่อนคุ้นเคยกันไปไหนมาไหนด้วยกันตอนนี้ไม่เอาแล้วกลายเป็นผีไปแล้วไม่รู้ว่าผีคืออะไรในความหมายผีคืออะไรและกลายเป็นความกลัวสุดท้ายมนุษย์กลัวความตาย ความตายนเป็นผลไม่ใช่เหตุเป็นปลายทางแต่ต้นทางของมันคือความเกิดทาพระพุทธเจ้าสอนให้ให้เรามองเห็นตั้งแต่เกิดจนตายคือชาติคืเกิดชาราแล้วก็ค้ำค้างพยาธิก็คล้าค้เจ็บมรณะคือตายนี่คือกระบวนการของชีวิตของมนุษย์เรา ต, ตอนนี้แอตเขาแสดงให้เห็นแล้วว่ากระบวนการทั้งหมด เขาใช้หมดแล้วเกิดแก่เจ็บสี่อย่างที่ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันหมดเรียกว่าเป็นธรรมไม่เคเป็นธรรมนะไม่มีใครไม่มีใครได้เปนคนอายุตีธรรมไม่มีแต่พวกเราเนี่ยเกิดใช้ไปแล้วแก่ใช้ไปแล้วหรือแต่ตายกันตั้งรือสิทธิเดียวเองนะไม่ได้มีสิทธิอื่นใดนี้เพราะฉะนั้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่คนอันนี้เป็น กรณีศึกษาเป็นตัวอย่างว่าเป็นกับตายมันต่างกันยังไงเพื่อให้เข้าใจคว่าตายภาษาศิลป์แล้วมันจะไม่มีเป้าหมายสถ้ากาิตเปความกลัวคำว่าตายคืออะไรตายเพราะเราไม่เข้าใจสภาวะศา ส, สนาหรือความยิ่งอยู่ในผู้เจ้าของเราเนี่ยต้องอย่าลืมว่าพ่อของเราเ่เป็นคนต้องเรียกว่าพ่อกับทุกคน เป็นคนที่ฉลาดอัจฉริยะต้องบอกว่าเป็นจัดเป็นคนอัจฉริยะคุณสมบัติของพ่อเราคือพูกเราจาไว้เป็นปางอย่าง น, นึแล้วเอาไปไปฏิบัติคุณสมบัติของพ่อเราก็คือพูดอย่างไรทําอย่างนั้นทําอย่างใรก็พูดอย่างนั้นให้เป็นภาษาเรานะนี่คือคุณสมบัติของพ่อเรานะเรามาดูคนทั่วไป พูดอย่างแล้วไปทำอีำอย่างทําอย่างแล้วเคยพูดอย่างเองไหมถ้าเราไม่ฟังพ่อเรามาดูต้นแบบเรามาดูตัวอย่างแม่คิดพ่อหรือภูอเจ้าภูเจ้าบอกเราว่าเกิดแกจะตายตายเนี่ยเราเราเคยถามมาอะไรตายเราเข้าใจว่าอะไรตายก็สองแบบเป็นสองอย่างก็คือ ในตัวเราเรียกว่าคนเรียว่ามนุษย์ซี่งจะเรียกเป็นคนุณสมบัติก่อนอื่นดูคุณสมบัติของที่เรียกว่าคนมนุษย์สัตว์เนี่ยมันแบ่งกันตรงไหนเริ่มต้นจากสิ่งที่เร า, เ, ราเขาา้อต่ำขี้ต่ำก็เพราะว่ า, วามีจิดดินมีใต้ดินขุดดินอยู่ขุดรูอยู่ผูกนี้น่ า, าจะเ ป, ป็นปัจจัยเสี่ยงที่เราไม่มีมต้องไปถามใคร อันนั้นจะเรียกว่าสัตว์จะเรียกว่าต่ำคุณสมบัติของเขาคือสิ่งข้อเดียวไม่มีเลยอย่าเพิ่งตกใจนะคุณสมบัติสิ่งข้อเดียวไม่มีเลยอยากกินก็กินอยากฆ่าก็ฆ่าอยากเจอกล้าก็เสอกลายแคมนุษย์คนหนึ่งอยากเป็นเป็นจ้ากับการอย่างนั้นกินอย่างงั้น ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับศกไม่เกี่ยวกับดึกถ้าเขาไม่มีคุณสมบัติเอย่านี้เราจึงเปลี่ยเสี้ยบนั้งกับพวกสัตว์สัตว์เลยคานแต่ก็แปลกนะพวกเราเนี้ยบางทีบางครั้งเราถ้าออกมาเป็นเพื่อนรู้จากไหนก็รู้จกักพักกันเนอะ้ยไอ้เฮียมาเมื่อไหร่วะ เป็นเฮียซะแล้วเพื่อนเป็นเฮียซะแล้วเอสอันนี้เหมาเลยทีนี้หนักกว่าเก่าเลยเอสซาบกลัวแล้วได้เห็นไหมอันนี้คือสัาพแต่บางทีมันก็ไม่ได้มีเจตนาเลยเจตนาเพราะมัเป็นธรรมชาติแต่ว่าสิที่เรียกนะั้นนะมันไม่ใช่คนแปลว่าจิตในขณะนั้นนะมันไม่ได้เป็นคนเป็นแต่ร่างกายนะ ที่ดีโอตปะความละอายมันมีอยู่ในคุณสมบัติของเทวดาเท่านั้นท่านเท ว, ว่าเทวธรรมเทวดาเขามีข้อดีตัวนี้คือมีที่คือละอายคือาาโอตบะโอตปะเป็นโอตบะนั่นคือเทวดาคุณสมบัติของเขานี้นกลับมานิดหนึ่งครับทีน้าจะรับทรับไปเนี่ยเริ่มมีบา้างชั่วครั้งชั่วคราวอาจจะสองข้อสองข้อขไม่ครบถึห้าข้อ อย่างนี้เ้าเรียกว่าสูงกว่าสัตว์มาหน่อยเาเรียกว่าคนอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะอยู่เทียบให้ฟังถ้าเรามีคุณสมบัติอย่างนี้เมื่อไหร่นั่นแหละคือคําว่าคนคือไม่ครบคนก็คนค น, ค น, คนเปนผสมกันอย่างนี้ยเรียกว่าคนแต่ถ้าใครที่มีสิ้นห้าครบขณะใดก็ตามนั่นคือมนุษย์ เพระฉะนั้นบรุษอาจารย์ได้ว อ, อกให้ไหวพระในรรับศีลเพื่อเราเตรียมตัวพร้อมในการรับธรรมะถ้าเป็นมนุษย์ก่อนเพราะางั้นมันรับธรรมะไม่ได้อาจจะจะภาวใจรับไม่ได้พระสะทธิสิทธิ์เจือตัวที่ปรับทําให้เราเนี่ยสูงกว่าเขาเหล่านั้นคือสูงกว่าสัตย์สูงกว่าคนท่านที่เรียกว่ามนุษย์มันนะอุตสะแปลว่าใจสูงใจนะไม่เกี่ยวกับกายนะ มันไม่เกี่ยวกับสภาพที่เราพูดถึงสภาพของใจใหรือจิตมันสูงกว่านั้นจะสูงกว่านั้นอีกก็เป็นพระเรียกความเป็นพระอันนี้เราพูดถึงสภาพที่เป็นสภาวะจิตไม่เกี่ยวกับกายอันนี้รูปแบบรูปแบบอะไรไม่เกี่ยวเป็นพระสิบปีปปยี่ปีข้าสิบปีหัวงอกคำชั่วก็อนี้เราไม่ออกพระดีทุกคนนะเพราะอันนี้แค่สมมติแค่รูปแบบ เพราะฉะนั้นจึงไม่แผลเจะเป็นเห็นข่าวว่าโอ้โบวมาสีา่สิบภาคหรือได้แค่นี้หรือธรมด า, านี่ก็ปกติสมรมดาอันนี้แค่ศินจก็ตปรับแต่ว่า้ว้าเราก็จะจตรงกนันโอ l ก็เป็นมนุษย์มันเป็นอย่างอื่นอื่นและที่สำคัญคือเราเนี่ยเราเหมายิงใจใจิตของาพว่นคนมันเป็นได้ทุกอย่างทุกขณนะี๋ยวไปใช้ความรู้เพื่อทำ์นะ ถ้าคิต่ํากว่าคนของโน้นในขณะนั้นเ น, น่ยจิตไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายเพราะนั้นตัวไหนเป็นตัวบอกตัวกำจัดเป็นตัวชำระสิ่งเหล่านี้มันคือธรรมคือธรรมะถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราไม่มีธรรมไม่รู้จักธรรมก็ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้สุดพาแล้วก็อยู่ไปกว่วันวันไปแล้วก็นับเอาหนึ่งวัน หนึ่งเดือนหนึ่งปีกต่กบอกได้แล้วหนึ่งปีซึ่งก็ไม่เคยได้อะไรก็ไม่รู้ที่รับมเอาหนึ่งปีเราได้อะไรได้วันได้เดือนได้ปีแล้วความดีจะตามมาอย่าลืมว่าออกไปแล้วหมายถึงจิจออกจากล่างนี้ไปแล้วมันก็มีดีกับไปดีทั้งนั้นติตตัวไปที่เป็นคุณสมบัติที่เป็นนําทางเราไปหมือนก็แอปพลิเคชัเพราะฉะนั้นสรุปก็คือตาย กับจิตสองเรื่องเนี่ยเราเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องทำความเข้าใจรู้จักให้มากขึ้นแต่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมนุษย์เอว่าคนให้ความสําคัญกับกายมากกว่าจิตในแต่ละวันถ้าแบ่งเวลากล้จับเวลากันแล้วเนี่ยให้ความสำคัญกับกายทกกั้งที่กายเอาแน่นอนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเรียกว่าตายตายได้ ที่อกายเนี่ยมาแตกสลายแต่จิตมันไม่เคยตายมันไปต่อนะไปต่อดจนไปไหนก็แล้วแต่ต้นทุนต้นทุนในขณะที่เป็นคนเป็นมนุษย์ถ้าจิตมันเป็นสัตว์มันก็ไหลไปตามสาัตว์ไม่เคยเกยิดทําไมต้องมีสัตว์เรีกว่าพรมันก็ไหลอัตโนมัติตาาภาษาพระละกรรมันเป็วิพัฒติ แปลว่ากรรมเป็นตัวเจ้าแมกแย่งแย้ไปตามภูมิความสลาดนั้นๆอันนี้คือจิตเนะพราะฉะนั้นจิตไม่เคยตายจิตของเราทุกดวงไม่เคยตายเจ็บแต่ออกจากบ้านออกจากบ้านนี้แต่เข้าบ้านนี้ไม่ได้แล้วเหมือนแอปพัิเคชันจิตข้าร่างไม่ได้แล้วคือออกจากบ้านไปแล้วเหมือนกับจิตของเราอะในขณะใดที่จิตของเราออกจา ก, กตัวกายเรา พูดงานภาษาบาลังบอกไม่มีสติจึงเป็นที่มาของการต้องฝึกรรมะไม่มีสติก็เหมือนกับคนที่ตาไปแล้วคนที่ไม่มีสติแล้วอาจจะนึกไม่ออกมนุษย์อยู่คนเราหรือว่าสัตว์มีอริยบทุตีอ ย, อย่างคือยืนเดินนั่งแล้วก็นอนแค่นี้เองที่เป็นการขับเคลื่อนขึ้นไหวไปมาไปหน้ามาหลังไปเร็วไปช้า อยู่ที่อายุนี้ยืนนานไม่ได้เดินนั่งแล้วก็นอนแอบแตอนี้นอนแต่เราไม่มีสตนะิที่ต่างกับพวกเราพวกเราก็อย่าลืมว่าเรามีสตินะเดี๋ยวกลับไปบ้านนะหัวถึงหมอนเสร็จก็ไปแล้วนั่นก็คือไม่มีสตินะ แล้วก็เพิ่งทราบไว้ด้วยว่าไอา้ที่จิตออกจากร่างไปตัวนั้นแหละตัวที่เราฝันนั่นแหละเรียกวพลังขจิตจิตที่มันก่อภพก่อชาติจิตมันไปเกิดใหม่ไม่เกี่ยวกับกายเลยตัวนั้นพอมีสติเข้ามาตัวเองช้าก็มาตื่นรู้ตัวขึ้นมาจะว่าอ๋อเรายังไม่ตายคือมีควารู้สึกกลับมาตัวเองนี่คือหลักปฏิบัติ ว่าทำไมผู้เจ้าบอกให้มีสติอยู่กับตัวให้สติมันอยู่ข้างนอกออกไปเที่ยวตอื่นนี่คหลักการปฏิบัตทบิที่ผู้เจ้าทรงค้นพบที่ว่าทําไมผู้เจ้าถึงอัจฉริยะหรือฉลาดไม่งั้นมันไม่ต่างอะไรกับคนตายแต่เราโชคดียังมีลมหายใจกันนะถ้าไม่มีลมหายใจั้งหมดคือไม่ต่างอะไรกับคนตายตอันนี้คือหลักการ ความสำคัญเป็นสคัญมากๆธรรมดาเพราะนั้นย้ำให้พวกเราฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเราเราของเราทุกคนนะมีสองเรื่องที่ต้องฟังเข้า ใ, ใจคือเรื่องกายและเรื่องใจแค่นี้แหละแต่เราไปยึ์เอาเรื่องกายเป็นหลักบารุงบำรเลหาความสุขให้กับกายแต่ในขณะเดียวกันเวลามีเหตุปัจจัยหรือปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะรู้หรือแยกแยะออกเช่นไม่สบาย บอว่ามันทุกข์เหลือเกินจะมีสักกี่คยเข้าใจว่าที่เรียกว่าทุกข์น่ะมันเป็นทุกข์ของกายหรือทุกข์ของใจเราก็จะเหมาว่าทุกข์บอกกันเดียวว่าทุกข์แต่ถ้ารู้ใจว่าเออทุกข์อันนี้เป็นทุกข์ของกายก็จะได้แก้ที่กายทุกข์อันนี้เป็นทุกข์ของใจก็จะได้แก้ที่ใจมันจะได้แก้ถูกที่แต่ละบ่นเดียวว่าเหมารวมไปว่าทุกข์ และที่สำคัญอ่ะก็นั่นก็คือยังไม่หาเหตุเข้ามานะครัมันทุกข์มาจากไหนต้นต่อของมันน่ะพรทุกข์มันเป็นผลมันไม่ใช่เหตุมันมีเหตุของมันอยู่เหตุของทุกข์คืออะไรนี่คือผู้เจ้าสอนอริยสัจสีสอนอย่างนี้จะบอกว่ามันผลนะทุกข์มันเป็นผลนะมันไม่ใช่เหตุเหตุของทุกข์คืออะไรแล้วสอนบอกว่าวิธีดับทุกข์คือแก้ปัญหาไม่ให้มีสิ่งเหล่านี้ทําอย่างไร นี่นคือหลักอนิยสัจนิเราจะจำเป็นนกแก้วนกคุณทองเหตุกันไหนกันนั้นแต่ความเป็นจริงมันคืออย่างนี้ทุกอย่างรอบตัวรอบข้างเราถ้าใจเราเป็นธรรมใจเรียนกาเคยฝึกเป็นธรรมมองทุกอย่างเป็นธรรมคือเป็นกับว่าครับเป็นธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติของเขาคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ฝึกวิปัสสนาเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้มนไม่ได้ไปฝึกผูเ้เห็นนรกสวรรค์เห็นอพพานมันได้เกี่ยวกันผู้แคเห็นความเกิดขึ้นตางอยู่ระดับไปถ้ายา ง, งไม่ออกเมื่อกี้ประธานนะครับมาจุดแล้วทุกอย่างเป็นธรรมะเป็นปริศนาธรรมหมดเลยเทียนเริมนี้เมื่อก่อนยาวปริศนาธรรมนะ มันบอกว่าประทานจุดเมื่อไรนั่นเกิดละเมือนชีวิตคนมันเริ่มเกิดเราจะเข้าใจชีวิตเต็มทีเลยว่าที่เราคิดชีวิตเรายาวนะมันไม่ใช่ตรงกันข้ามเลยชีวิตเรามีแต่สั้นลงนี่ไงตัวอย่างพอเกิดตั้งขึ้นมันก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลงสุดท้ายก็ดับชีวิตเราเป็นอย่างนั้นคือนับถอยหลังแต่เราเข้าใจว่า ยังจะได้อีกมันก็่เคยได้มิได้เสียฮะมิได้หายไปอย่างเนี้ยเดี๋ยหมดหมดดินคือเชื้อน้ำไหลออกมาแล้วลมที่พัดดินน้ํำลมไฟนั่นคือดินน้ําลมไฟเหมือนเรานีถ้ามาไม่คบตัวนั้นสมมติเอาแก้วไปครอบมันมันไม่มีลมมันดาบแต่เทียนเรียกว่าดับคนจึงเรียกว่าตายมันกิดอเหมือนกันอันเดียวกันเลย ดับกับตายเพระนั้นการปฏิบัติของพวกเราท่านมุ่งเอาสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกข้อภาพรวมว่าให้เราเนี่ยให้เข้าใจเรื่องการเกิดและการดับของสรรพสิ่งทั้งปวงให้มองเห็นการเกิดการดับให้เร็วที่สุดถ้าจะเร็วได้เช่นเห็นความโลภเห็นความโกรธเห็นความหลงเห็นแล้วให้มันดับในความโกรธนะแต่ถ้าถ้าดับไม่ได้อย่างเนี้ยมันก็ต่อความยาสาความดึกจนทําลายตัวเอง ขอบโกดก็ขึ้นทำลายตัวเองนะได้ทำลายคนอื่นนะเราเข้าใจสภาวะอย่างนี้แล้วเรื่องเราคิดเป็นละเป็นธรรมะล้วถ้าคิดได้เนี่ยเราสามารถเพึ่งพลาตัวเองได้นี่อะไรก็พูดถึงวัดละตอนนี้วัดกายตัวเองได้แล้ววัดวิาจัยองไรวัดใจตัวเองได้แล้วเข้าใจสภาวะนี่วัตถุประสงค์การปฏิบัติประเด็นต่อไปคือเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้หรื อ, อยัง เข้าใจแล้วเริ่มลงมือหรือยังถ้ายังไม่ร่วมลงมือชีวิตเราไม่ได้ยาวนะเพียนกำลังจะดับนะหกสิบกว่าแล้วเจ็ดสิบกว่าแล้วมันไม่มีเพิ่มนะมีแต่ลดนะสภาวะเหมือนเดิมอยู่ระวังจิตออกจากร่างมันจะไหลไปตามภูมิคือชั้นของจิตถ้าไม่มีอะไรติดไม้ติดมเลย คือมามือเปล่าไปมือเปล่านะกลับมาสภาวะเป็นมนุษย์ยังไม่ได้นะแต่ถ้าใครมีศีลหา้าหลักประกันข้อแรกอย่างน้อยที่สุดคือกลมาเป็นมนุษย์คือเป็นคนนะอย่างน้อยแต่ถ้าศีลไม่ครบก็ไปตามเป็นคนเป็นสัตว์ถ้าไม่มีสักตัวเลยก็ไปเป็นสัตว์ในขณะนั้นนะจในขณะนั้นเนี่ยคือความแตกต่างภูมิชั้นของจิตเพราะฉะนั้น หลังจากพระเทศเสร็จแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อพูดจบพุทธเทศเสร็จแล้วมันก็สุขควรแก่เวลาแล้วล้างแจกพระท่านก็จะย้ำแต่เป็นภาษาบาลีเหรือพระอาจารย์จะสอนแต่เราไม่รู้เรื่องแต่เป็นคําที่พ่อมากดีมากนี่ความหมายของชีวิตท่านก็จะบอกว่ากุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอัพยากตธรรมมาทุกงานก็เป็นเรากับพระน้มือแต่ซึ่งก็ไม่รู้เพาะอะไรกุศลธรรมมา สภาวะจิตของคนเราเป็นอย่างนี้นมนุษย์เราพูดง่ายๆคือถ้าไม่เป็นบุญก็เป็นบาปมันวางบุญบาปไม่ได้อารมณ์ที่วางบุญกับบาปออารมณ์นั้นต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นสมาธิเท่านั้นเรื่อจิตเป็นกลางแต่ถ้าใครจิตไม่เคยเป็นสมาธิมันก็วางนี้ไม่ได้เพราะคนที่จะไปไกลกว่านี้ก็ตั้งวางบุญและบาปคนที่ไปไกลนะ แต่คนยังติดบุญติดบาปอยู่ก็ปาลเหมือนเราพวกเราท่านๆ่นแต่คนที่ไปไกลกว่าเราบุญกับบาปท่านวางคืออุเบกขาคืออัพยากตาธรรมานถ้าท่านแกบอกนี่แล้ก็มีเหตุและก็ปัจจัยถ้าจะพาลานาะตั้งแต่ต้นจนจบนั่นคือคําสวดคาบิธรรมสวดมาติกามาติกาแปลว่าหัวข้อแต่เราก็ฟังว่าเราเข้าใจว่าสวดให้คนตายฟังคนทมืุญแท้เขาสวนให้คนตายฟัง ไม่ใช่สอนคนเป็นนี่แหละคนตายก็ไม่ไดอะไรแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นอยู่เราไม่สนใจของผูน้นี้อีหน่อยเราก็จะไม่ได้อะไรถ้าอยู่ด้วยการปราศจากสติเมื่อไหร่พุทธองค์ท่านตัดว่าไม่ต่างอะไรก็คนที่ตายไปแล้วเพราะนั้นอยากให้พวกเราทั้งหลายอยู่ด้วยความมีสติสมัชัญญะโดยข้ออ้างยิงคือเคารพดูตัวอย่างพ่อของเราคือพระเจ้าแม่ของเราคือพระธรรม ลูกของท่านคือพระสงฆ์ถ้าเราเอาสิ่นหล่านี้มาไว้ในครอบครัวเอาพูะเจ้าเป็นพ่อน ะ, ะเอาพระธรรมนั้นเป็นแม่พระสงฆ์เป็นลูกครอบครัวนั้นบ้านนั้นเป็นครอบครัวที่อบอุน่นเต็มไปด้วยอารมณ์ของพุทธศาสนาแต่ครอบครัวนั้นพ่อก็ไม่มีคือไม่เอาพระที่เจ้าเลยแม่ก็ไม่เอาลูกเอาแล้วจะอยู่ยังไงทีนี้ พอนึกถึงลูกเราอะเรามีลูกอะพ่อพูดก็ไม่ฟังแม่พูดก็ไม่ฟังน่าจะเกิดอะไรขึ้นแลเหมือนเราเนี่ยแหละพวกเราตอนนี้เป็นลูกท่านก็พ่อเราเคยพูดอย่างนี้นะบอกนี้สั่งอย่างนี้สอนอย่างนี้นะคือพระเจ้าตรัดไว้นี่คือพ่อเราแล้วก็แม่คือพระธรรมคือธรรมชาติเนี่สอนเราอย่างนี้ยแม่สอนหรอกไม่เข้าใจอแม่สอนอะไรเมื่อไม่เข้าใจไม่พอยังมีลูกของท่านคือพระสงฆ์ พยายามจะชี้แจงบอกว่าอย่างนี้นนเราก็ยังไม่ฟังลูกอีกจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเสร็จสุดท้ายมาถึงคือตายเกิดแก่จะตายเกิดขึ้นแล้วเราจะไม่ได้อะไรทีไม่ตีมือเลยเพราะวันนี้ถือว่าเรามาฟังป็นสมาธรรมิเข้าใจแล้วก็นำไปสู่กับปฏิบัติแล้วก็ฝากพวกเรา ก่อนหลับก่อนนอนที่คนไม่เคยผมไม่มีเวลาเลยหาเวลาซะจัดไป้อย่างน้อยก็คือก่อนนอนนึกแต่คุนของผู้เจ้ากราบนึกแต่คุนของพระสองกราบนึกแต่คนของพ่อแม่กราบนึกแต่ครูบาอาจารย์ผู้มีุ่กทั้งหมดกราบแล้วเราจะหลับก่อนหลับหลับไปกับความกับความดีสิ่งที่ดีๆหลับจิตใจเราก็สบาย ตื่นขึ้นมาก็สบายไม่ฝันร้ายอันนี้คือข้อดีแต่อย่างน้อยที่สุดคือเป็นการทวนทวนศีนลสภาพเร็วทวนศีลของเราว่าวันนี้อย่างน้อยแค่ห้าข้อแล้ ว, ลวเราเนิ่ไม่ออกเลยเหรอือเรื่องสามสีห้าเนี่ยนี่คุณสม บ, บัติของมนุษย์นะถ้าเรามีมไม่ครบแสดงว่ายัางเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นแค่คนแต่ข้อเดียวทําไม่ได้เลยเนี่ยเป็นคนยังไม่ได้เลยเนะ ให้ทวนอย่างนี้เราจะมีสติแต่เรียงเรวา่ารู้อ่าเออตอนนี้เราระดับของเราเป็นอะไรคือไม่ต้องเอนเื่นไปเรียกหรอกอเนี่ยค่ะไอ้นี่ไม่ต้องพูดมาเรียกเราจะรู้ของเราเองภาวะจิตอย่างนี้เราก็เชื่อเป็นลูกที่ดีคือเชื่อฝังพ่อเออบุญเจ้าเชื่อฝังแม่คือพระธรรมเชื่อฝังโลกนั่นคือพระสงฆ์เราก็เจริญอยู่ทางโลกก็เจริญอยู่ทางธรรมก็เจริญ ก็ขอเราทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเถิน